วันนี้ผมได้นัดหมูเพื่อนมาประชมุมในระหว่างวันพระไปชมแต่เฉพาะพระเพื่อเราจะได้พูดเกี่ยวกับวินัยด้วยข้อที่พวกเราอาจจะมีความข้องใจสงสัยผมเห็นว่าตรงไหนที่จะบอกกล่าว แนะนำสั่งสอนหมู่พกเพื่อนให้เข้าใจเพราะพระใหม่ที่เข้ามาบวชก็หลายองค์นะวันนี้เป็นวันที่หนึ่งกันยาห้าสามเราเข้าพรรษามาเดือนเสร็ จ, เ ร, จเราก็ไปชุมกันทุกวันพระก็บางครั้งเราก็ไปชุมกันในระหว่างแต่วันนี้ผมนัดประชุมในระหว่าง วันพระเพื่อจะได้แนะนำแล้วบอกกล่าวเกี่ยวกับวินยัยพุทธบัญญัติอันดับแรกผมขอย้ำเรื่องวินยัยศีลและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่ตราบนั้นอันนี้ให้พวกเราท่องไว้ในใจฝังไว้ในใจ ถ้าพวกเราล่วงละเมิดสินพวกเราไม่มีสินเมื่อไรศาสนาของพุท ธ, ธะก็ล่อยหลอเพราะว่าพวกเราไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจในกฎระเบียบในการเป็นอยู่หรือการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะหรือว่าเป็นกลุ่มสงฆ์ถ้าพวกเราไม่มีความพร้อมเพียงสมัครใในการเป็นอยู่หรือพวกเราไม่ให้ความสำคัญ ในสินและวินัยของพระพุทธเจ้าไปว่าอันนั้นคือเป็นบอกเป็นในเวลว่าพุทธศาสนาคงจะอยู่ได้ไม่นานเพราะพระไม่เคารพในศิกขาบทวินยัยเพราะนั้นอย่าให้ออกไปจากพวกเราท่านทั้งหลายอย่าให้ออกไปจากพวกเราที่เขามาศึกษา พวกเราให้รักษาวินัยอย่างไงคือรักษาความเข้มอย่างไรให้พวกเรารักษาวินัยอยู่ในตัวของเราลักษณะอย่างนั้นถ้ารู้แล้วอันนี้คือวินัยเราต้องปฏิบัติตามทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราได้รู้ได้ศึกษาแล้วเพราะนั้นวินัยถ้าจะว่าไปแล้วก็มากมีมากมายบางทียุคนั้นสมัยนี้ ก็มีอะไรแปลกแตกต่างกันขึ้นมาตามยุคตามสมัยแต่ทีนี้เราก็ให้ยึดหลักใหญ่ๆที่พระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติวินัยขึ้นมานั้นจุดประสงค์อะไรจุดประสงค์คือความพร้อมเพียงสมัคคีจุดประสงค์คือมอาให้เกขาละลาน จ, ลาจุดประสงค์คือให้มีฮิลีโอตตะปะจุดประสงค์ก็คือให้ ตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจา ก, ก จ, จิตใจแต่ในสิกษาบทนี่พวกเราได้ศึกษาดูแล้วพวกเราจะรู้ได้อย่างวินัยสังคาที่เศษสิบสามอย่างนี้จแต่นับแต่ข้อหนึ่งถึงข้อห้านี่อันนี้คือเรื่องอะไรก็เรื่องคือเรื่องกําจัดกิเลสภายในใจของเราคือตัวกําจัดเรื่องกามาราคะแหอย่างเนี้ยเป็นต้นนะ แล้วมีหลายๆสิทข้ามดที่เราได้ศึกษาดูแล้วก็มีแนวทางหลายๆอยา่างคือไม่ให้พระโลกโลเลในบริขารไม่ให้โลกหลงไหลติดในการอยู่การกินอย่างบรญญัติเพสสัตทั้งห้าเนายใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ่งน้ำอ้อยอันนี้พระพุทธเจ้าก็บัญญัติไม่ให้พระ ติดในการเป็นอยู่การอยู่การฉันในเพศสัตว์จนเกินไปอันนี้ก็คือวินยัยจรุปแล้วก็คือการเป็นอยู่ของพวกเราให้เป็นให้อยู่ในกรอบกรอบหลักพระธรรมวินยัยให้พวกเราศึกษาจุดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเก่าที่บวชเข้ามานานควรจะศึกษาจิตและวินัยให้คล่องแต่ส่วนพระใหม่นั้น ก็ให้ศึกษาตาให้ดูหูให้ฟังใจให้คิดถ้าว่าพระเก่าเห็นอกับกิริยาหรือว่าไม่ถูกต้องในพระวินัยก็ขอให้พระเก่าว่ากก่าวตักเตือนพระใหม่เพราะยังไม่รู้แต่พระใหม่ก็เหมือนกันเราเข้ามาเพื่อการศึกษาเราใยในการศึกษาเรามาเพื่อการศึกษา เราจะไปรู้หมดทุกอย่างก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะเราเป็นกระวาดมาก่อนแต่เมื่อพระสงฆ์หรือว่าหมู่พวกเพื่อนครูบาอาจารย์ที่หวังดีแนะนําวักตักเตือนกล่าวเรื่องสิทธิขบววินยัยพวกเราก็ให้ฟังในเมื่อฟังแล้วก็ให้ศึกษาให้ไปค้นคว้าศึกษาตํำรับตาราที่ท่านว่ากล่าวตักเตือนนั้นมันเกี่ยวกับวินยัยข้อไหนฮเราก็จะได้ รับความรู้ความกระจ่างในการศึกษาของพวกเราไม่ใช่ว่ า, าการบอกกล่าวแล้วกับโมโหโกรธาให้แก่ผู้ว่ากล่าวหาว่าดูถูกหาว่ า, าไม่เคารพในหมูในเพื่อนอย่างนี้อันนั้นแปลว่าเราใจแคบเกินไปไม่ไม่ใช่ผู้เข้ามาเพื่อการศึกษาถ้าผู้เข้ามาศึกษาแล้วต้องเปิดกว้าง ต้องรับฟังหมู่พวกเพื่อนที่ว่ากล่าวตักเตือนอย่างไรที่เป็นทำเป็นวินยัยแล้วก็พระเก่าก็เหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่าพระเก่าจะถูกหมดทุกอย่างก็ไม่ใช่จะเป็นอย่างนั้นในเมื่อพระใหม่ได้ค้นคว้าศึกษาในพระวินยัยในพระไตรปิฎกเข้าใจในพระวินยัยถ้าว่าพระเก่าทําไม่ถูกหรือว่าไม่เข้าใจหรือว่า ท่านไม่รู้พระพระเก่าพระใหม่ก็ขอโอกาสบอกกล่าวแ ล, ลือการเรียนพระเก่าได้ข อ, อกาสครับครูบาผมได้อ่านวินยัยตรงนั้นตรงนี้ท่านไหวอย่างนั้นอย่างนี้แล้วในเรื่องนี้อท่านอาจารย์ได้ศึกษาไหมครูบาได้ศึกษาไหมได้เรียนมไหมไ ด, ไ, ดได้ดูไหมแต่ถ้าว่าพระเก่าก็ต้องเปิดกว้างอีกเหมือนกัน ไม่ใช่เราจะเฉยๆผู้รู้หมดทุกอย่างเราเมื่อได้ยินจากพวกรุ่นน้องเขาว่ากล่าวเราก็ต้องเออใช่ยุ่ที่ไหนวะเอามาดูซิเราก็จะได้รับความรู้ความฉลาดจากรุ่นน้องเขาอีกจากนั้นเราก็ได้จะได้รู้หลักพระธรรมวินยัยเป็นอย่างไรนี่แหละสรุปแล้ว ก, ก็คือถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันถ้าพวกเรามีความ ทุกคนเปิดกว้างทั้งด้านจิตใจฝ่ายการศึกษาผมว่าเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงนะก็จะไม่เกิดขึ้นในชุมในชุมชุมสงในกลุ่มของสงที่เป็นสา ก, กยบุตรพุทธชินนรสคือลูกของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าว่าพวกเราเปิดแคบปิดแคบถือว่าผู้ที่จะแนะนำสั่งสอนนั้นต้องเป็นอาจารย์เท่านั้น ผมเข้ามาเพื่อการศึกษามาศึกษากับท่านอาจารย์แต่ท่านอาจารย์ไม่บอกไม่กล่าวผมจะไม่ฟังคำของใครอันนี้แปลว่าเราปิดปงหูปิดตาเราแคบเกินไปไม่ใช่ว่าท่านจะรู้หมดทุกอย่างที่เป็นครูบาอาจารย์กิตธุระภาระของท่านก็มีแต่ละวีแต่ละวันเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายเนีย่ยตรับตาราถึงจะเป็นครูบาอาจารย์ยเป็นหัวหน้าอย่างผมน่ ผมก็ต้องค้นคว้าศึกษาต้องอ่านวินัยอย่างพระวินัยเกี่ยวกับพระไตรปิฎกฉบับฉบับย่ออย่างนี้เกี่ยวกับวินัยผมก็ต้องศึกษาต้องอ่านแล้วก็วินัยยมุถ้ามูทักท้วงมาผมก็ต้องต้องค้นคว้าศึกษาเหมือนกันเพราะนั้นหมู่ทั้งหลาย ที่ผมพูดกล่าวทั้งนี้ทั้งนั้นถึงจะเป็นการบล็อกวนเวียนแต่สรุปแล้วก็คือให้พวกเราใ่ในการศึกษาอย่าไปอยู่แบบไม่สนใจเพราะวินัยเหมือนกับกฎหมายเราต้องท่อ ง, องบนสาทยาอยู่เรื่อยมาตราเท่านั้นอันนี้ก็สิกขาบทนั้นสิกขาบทนี้วินยัยอาบัตินั้นอาบัตินี้พวกเราก็ต้อง ศึกษาเหมือนกันเหมือนกับกฎหมายบ้านเมืองของเขาเพราะนั้นพวกเราผู้ที่บวชมานานขอให้ทั้งอกทั้งใจนะให้ศึกษาแล้วก็พิจนายอย่างที่ผมได้พูดได้กล่าวหรือจะเป็นการอยู่การฉันยึงเพศสัตว์อย่างนี้ถ้าพูดออกไปแล้วมันไม่รู้จะตัดสินใจยังไงเพราะมันสลับซับซ้อนเหลือเกิน ปวนัยมันไม่เหมือนสมัยครั้งพุทธกาลแต่ครั้งพุทธกาลเราก็ไม่ได้เกิดในยุคนั้นสมัยนั้นแต่ท่านพูดเอาพระวินัยมาเป็นหลักพอท่านบัญญัติฟีไนขึ้นมาเราก็อ่านอ่านก็รู้สึกว่าในยุคนั้ น, ส ม, น, นสมัยนั้นกับสมัยนี้มันแปลกแตกต่างกันแต่เรามาพิจารณามาประมวลดูแล้วถ้าสิ่งไหนถ้าเราประพื่อปฏิบัติไปโลกาวัชชะคือโรคติดเตียนมันเกินไป โลกเขาตีเตียนเราเราก็ไม่ควรจะทำในจุดนั้นในเรื่องนั้นแต่ถ้าว่าเราค้นคว้าศึกษาดูแล้วเข้ากันได้ก็ไม่มีก็ไม่แปลกอะไรถ้าพระจะใช้จะฉันสิ่งของอะไรก็ตามก็ไม่น่าจะแปลกไงเราก็ใช้นะแต่ถ้าใช้ไปแล้วมันจะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะอย่างเนี้ยอย่างเครื่องลูกลพลเครื่องลูกไพลยอย่างนี้ เรื่องครีมต่างๆเนี่ยถ้ามันหอมเกินไปเราก็ไม่ควรจะใช้เราใช้ครีมก็คืออะไรใช้ครีมก็เพื่อไม่ให้ผิวมันแตกหน้าหนาวน่ยผิวมันแตกเราก็ต้องได้ใช้ครีมทาเอาไว้แต่ทาไว้เพื่ออะไรทาไว้เพื่อไม่ให้ผิวแตกมีไหมในครั้งพุทธกาลในครั้งพุทธกาลก็มีเหมือนกันคือสมัยนั้นก็ยิ่งความหนาวยิ่งประเทศอินเดียอย่างนี้ท่านก็เข้าเตาไฟเตาอบ จากนั้นก็เอาขี้เท่ามาพอกเสร็จแล้วก็อาบน้ำํำพออาบน้ําเสร็จแล้วท่านก็ฉโลมด้วยน้ํามันน้ํามันก็คือครีมนี่นแหละครีมก็เหมือนกับน้ํามันฉโลมร่างกายไม่ให้ผิวแตกนี่อันนี้ก็บรรจุกนั้นสมัยนี้แต่ชุกนี้สมัยนี้มันก็จุดอีกแบบหนึ่งแต่ถึงยังไงเราก็สงเคราะห์เข้าหากันได้เบื้องผ้าก็เหมือนกัน มือผ้าก็ ม, มีมีมากมายหลายอย่างในการในครั้งในครั้งกนันนู้นก็มาในครั้งกนันนี้แต่เลือกยานพาหนะสมัยนูน้นไม่ค่อยเจริญเหมือนสมัยนี้นเครื่องบินในพระไตรปิฎกไม่มีรถยนต์ไม่มีแต่ถ้ามีแต่วัดรถม้าและก็เกวียนหมู่เกวียนอันที่มีอยู่ในพระวินยัยที่ท่านบัญญัต ว่าไปกับหมูพวกเกวียนอาศัยพวกเกวียนเดินทางอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละถ้าจะเปรียบเทียบยุคนั้นสมัยนี้ก็แปลกแตกต่างกันแต่นี้เราจะมาเราจะมาพิถีพิถันในวินยัยในจุดนี้จนเกินไปจนเป็นทุกข์กับการชักขบทวิในผมว่าก็ให้ศึกษาให้ช่วยกันวิเคราะห์แตดเหลืองเจิ้งจนเกินไป จนไม่ถือว่าเป็นสิ่งสิ่งที่จําเป็นสําคัญเช่เลยอ น, นันต์ก็ไม่น่าจะถูกอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราเรื่องพระวินัยต้องเอามาซักไซส์ไลเรียงหรือเอามาปรึกษาปารบกันาจากนั้นก็มันเป็นยังไงแล้วค่อยลงมติกันแต่ว่าใช่ ม, มติตัวนี้ไม่ใช่มติเป็นเอกฉันเลยไม่ใช่แล้วก็ต้องปรึกษาหาหรือกันถ้าสงสัย ถ้าสงสัยแล้วก็หยุดไม่ต้องทำไม่ต้องเอาไม่ต้องฉันในจุดนั้นเพราะว่าสงสัยแล้วขืนทำลงหนึ่งอาการที่ปิกจุจะต้องอาบัตเพระาะฉันขอให้พวกเราถือแนวแนวแถวนี่แหละนะแต่ที่มาพูดถึงทางด้านจิตใจทีนีเอันนั้นคือวิ น, ยน่ยก็คือกดระเบียบศีลและวินัยยังมีอยู่ตราบใร พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่ตราบนั้นอันนี้ให้เคารพให้พวกเราเคารพในใจอย่างสุดๆ่ายงานจักยกไว้ที่สูงเลยศิลและวินยัยแต่ตอ น, นี้มาเรามาพูดจะทำอย่างใจยังไงจึงจะส ะ, สะแสวงหรือว่าหาทางพ้นทุกข์ไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าได้ไปค้นคว้าได้ไปศึกษา แล้วก็แนะนํำทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้แก่พระสาวกสาวิกาในยุคนั้นสมัยนั้นจนมาถึงยุคนี้สมัยนี้ทำคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าว่าพวกเราปฏิบัติอย่างคงเส้นคงวาปฏิบัติเอาจริงเอาจังปฏิบัติอย่างหนักแน่นปฏิบัติไม่ให้ขาดตกปกพ่องใส่ใจอยู่เสมอผมว่าอย่างน้อยความสงบ ทางด้านจิตใจของเราก็จะได้ชิมหรือริ้มรสแห่งความสงบไม่ครั้งใดก็ต้องครั้งหนึ่งไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งแน่นอนเพราะทําคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสวากขาตัดขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วท่านว่าอย่างไงเป็นอย่างนั้นถ้าวันดีก็คือดีถ้าท่านว่าชั่วก็คือชั่วอันนั้นท่านไม่ถูกนะเราปฏิบัติไปมันก็ไม่ถูก ถ้าวัด น, นี่คือถูกต้องนะถ้าเราปฏิบัติไปเราก็สบายใจมีความสุขใจในการดำเนินชีวิตของพวกเราแต่ถ้าพวกเราปฏิบัติไม่ถูกทางไม่ถูกต้องแล้วนั่นแหละความหายชนะหรือว่าความทุกความทุกในจิตใจก็จะเกิดขึ้นในตัวของเรานะเพะฉะนั้นขอให้พวกเราสิ่งนี้นะทางกาย จะให้ขาดตกบกพร่องทางกายก็คือเรื่องศีลกายวาจาให้เรียบร้อยเนี่ยอันนี้เป็นจัดเป็นหมวดศีลแล้วเรื่องสมาธินี่ก็คือแนแนวทางด้านจิตใจนี่ยศีลสมาธิเนี่ยปัญญาเนีนี่แหละหลักของพระศาสนาถ้าจะว่ามากไม่ถ้าจะว่าไม่มากก็คือไม่มากมีสามท่านนะหลักใหญ่ๆคือศีลสมาธิปัญญา แต่ทะเนนีพอมาอธิบายให้ฟังสินมีเท่าไหร่เนี่ยมันมากแล้วนนี้กระจายออกไปสิลมีเท่าไหร่สินลวินัยมีเท่าไหร่ศิลพระปาติโมก ค, คือศินสองอยยี่สิบเจ็ดเนี่ยสินอภิสมาจาร์เป็นร้อยเป็นพันอาจจะเป็นหมื่นก็ได้ในซิกขาบท น, น, นั้นอันนี้นก็คือวิอัไนวิไนคือเบื้องต้นชักษาขายวาจาให้เรียบร้อย ชื่อว่าสินแต่ผมก็เคยย่นย่อมาว่าสินและวินัยถึงจะมากขนาดไหนก็ออกไปจากใจทั้งหมดเพราะนั้นเราไม่ตกไม่ต้องวิตกกังวลว่าสินและวินัยมากขนาดนั้นเราจะรักษาอย่างไรผมเคยย่นย่อให้ฟังเราคือรักษาใจอย่างเดียวให้ดูใจถ้าว่าคิดที่มันไม่ที่มันไม่ถูกอย่าคิดพมไม่คิดแล้วอย่าทาเมื่อคิดจีแล้วอย่าพูด ในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องถ้าสงสัยแล้วอย่าทำอย่า พ, ยพูดเพราะอะไรเพราะว่าใจของเราเนี่ยเป็นใหญ่ถ้าใจของเราคิดถูกเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วการกระทําของเราก็เป็นสัมมาทิฏฐิการพูดของเราก็เป็นสัมมาทิฏฐิแต่ถ้าว่าใจของเราเป็นมิจฉาทิฏฐิการกระทําออกไปก็เป็นมิจฉาทิฏฐิการพูดออกไปก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเพออราะเหตุใ พราะคิดผิดทําก็ต้องผิดต้องพูดก็ต้องผิดไปด้วยทีนี้เราจะทํำยังไงจึงจะให้มันคิดถูกและเป็นสมาธิินี่แหละมาพูดถึงเรื่องสมาธิทีนี้จะทํำยังไงจิตใจของเราจะสงบแต่บางท่านท่านวาให้เดินปัญญาเสเลยเรื่องสมาธิเป็นเรื่องเนิ่นช้าทําให้จิตใจของเราเนิ่นช้าแต่ตามไม่จริงมันเนิ่นช้าไปที่ไหนล่ะเราเกิดมาไม่รู้กี่ ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติมันช้าเพียงเท่านี้จะเป็นไรไปเหมือนเหมือนเนิ่นช้ามาแต่ก่อนหน้านี้มากมายมหาศาลาถ้าเราทําไม่ถูกที่ถูกทางแล้วมันยิ่งจะเนิ่นช้าไปอีกนับกับนับกันไม่ทวนเพราะเหตุใดเพราะเราเดินผิดหลักการเพราะฉะนั้นอย่างนั้ยเราก็เดินตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าที่พระหันสาวกที่พ่อแม่ครูอาจารย์ ที่ท่านได้สําเร็จมรรคสำเร็จผลที่ท่านล่วงรับดับกันไปแล้วให้พวกเราศึกษาทำมาลิกิตของท่านแต่ละองค์ท่านเดินยังไงท่านทํำยังไงท่านปฏิบัติยังไงในเมื่อท่านตายไปแล้วท่านมรณะพาไปแล้วกระดูกของท่านได้กลายเป็นพระธาตุให้แก่พวกเราได้กราบไรวายกแสดงว่าที่ท่านปฏิบัติมานั้นท่านเอามาจากความรู้สึกของท่านท่านได้ศึกษามาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของท่าน จากท่านท่านก็ได้นํามาประพุทธปฏิบัติปรับปรุงกายวาจาใจของท่านจนท่านได้เป็นพระที่แท้จริงจากนั้นท่านก็ได้ออกมาเป็นธรรมมาลิกิตเป็นตัวหนังสือออกมาเป็นตําราขึ้นมาเป็นประวัติของท่านเป็นชีวประวัติของท่านในเมื่อเราได้อ่านได้ศึกษาแล้วเราก็นํามาประพุทธปฏิบัติตัวไหนที่ว่าเราเห็นว่าเหมาะสมเห็นว่าถูกต้อง เห็นว่าถูกกับจริตของเราเราก็นำแนวความคิดนั้นมาพิจารณามาปฏิบัติท่านทำสมาธิท่านทอย่างไรก็มีมากมายหลายหลายอย่างอย่างกูบาจาร์อย่างล่งตาของเราเนี่ยท่านว่าท่านภาวนากำหนดธรรมบัญดาใจของท่านน่มันยังเล็ดลอดออกไปได้มันต้องบริกรรมนะานว่าต้องบริกรรมเท่านั้น จากนั้นท่านก็บริกรรมเอาจริงเอาจริงในคำบริกรรมบริกรรมก็คือหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแต่ก่อนมีแต่กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ารู้หายใจเข้าหายใจออกรู้หายใจออกอันนี้ท่านว่าเมื่อท่านพิจารณาเมื่อท่านกำหนดดูอย่างนั้นแล้วท่านบอกว่ามันไม่เพียงพอต้องบริกรรมสับทัพสำทัพเข้าด้วยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทด้วยนี่คือ สำทับบริกรรมกรรมบริกรรมในการภาวนาสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้หมู่พวกเพื่อนศึกษาแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติกับตนเองการภาวนาเนี่ยจะทํำยังไงจิตใจของเราจึงจะสงบลงเป็นหนึ่งได้เราจะกําหนดธรรมดาหรือเราจะกําหนดบริกรรมพร้อมกับบริกรรมพุทโธพร้อมกับ ลมหายใจเข้าหายใจออกหรือเราจะพิจารณาการกำหนดลมหายใจเข้าพุธหายใจออกโทนั้นเราให้เห็นกระดูกด้วยกระดูกของเราด้วยมัคือไม่ให้มีเนื้อมีหนังทั้งหมดให้เป็นมีแต่กระดูกเวลาหายใจเข้าขหายใจเข้าที่รูจมกูกโดยที่ไม่ไม่มีเนื้อมีหนังให้เป็นกระดูกเท่านั้นลายหายใจเข้านะ เราเขารู้หายใจเขา้าคือเข้ารูจมกูกจากนัก้นกไหลลงไปหาปอดเข้าไปหาข้างในเื้าไปหาโครงกระดูกข้างในจากนั้นก็หายใจออกมาหายใจเขา้าให้เห็นโครงกระดูกอีกต่างหากพอหายใจเข้าพุทธหายใจออกทวนให้เห็นโครงกระดูกอีกเวลาหายใจเข้าในโครงกระดูกของเรานอันนี้ก็คือสําหรับไม่หายใจมันออกไปข้างนอกเพราะเหตุใดเพราะว่าขณะที่บริกรรมนั้น มันยังออกไปข้างนอกได้อยู่มันยังสวัสดิ์หน้าชวแหวกพลังมันยังทะเลถลายอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องตั้งสติให้เข้มแข็งขึ้นอีกเ อ, อใค่ไม่ไม่ใช่กลึงไม่ใช่เกรงนะแต่ว่าตั้งสติให้เข้มแข็งแต่ก่อนเมื่อสติของเรามันอ่อนออมันจะหลงเพลผอไพรได้ไง่ายๆเหมือนกับเราจะนอนหลับจะนี่นะ่ะพวกเราทั้งหลายคงจะคิดนะเวลาภาวนาพุทธโธพุทธโธเวลาเราจะนอนนะกาหนดลมหายใจเขาออกพุทธโธคือ แต่พอเราจะนอนเราก็พยายามปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยฮะคือไม่เข้มแข็งจากนั้นมันก็หลับได้แต่ถ้าวันเรานอนเรานอนอะเราก็ตั้งสติให้เข้มแข็งหายใจเข้าพุ reborn, ทธหายใจออกโทมันจะไม่หลับนะถ้าเราสติของเราเข้มแข็งในขณะที่เรานอนเรานอนนอนภาวนาอย่างเนีน้แต่สติของเราเข้มแข็งมันจะไม่หลับนะแต่ถ้าว่าเราปล่อย ปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยมันจะหลับเพราะนั้นในเรื่องการนั่งภาวนาก็เหมือนกันแต่เรานั่งทําให้จิตใจของเราปล่อยไม่ไม่แข็งไม่ยึดมั่นมันอาจจะทําให้เราหลับได้มันทําให้เราหลับได้เพราะนั้นในขณะที่นั่งเราก็ต้องขึงขังพอสมควรเอาสติจับให้แน่นพอสมควรแล้วก็กาหนดลมหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าพดหายใจออกโทรหรือกำหนดไป ใ, ให้เป็นโครงกระดูกอย่างที่ผมว่าหายใจเข้ากระพดเหมือนกันหายใจออกโทรเหมือนกันแต่ในความรู้สึกลึกๆนั่นคือหายใจให้เข้าในโครงจมูกที่เป็นกระดูกค่ะอย่างนี้แหละให้เท่าเอาสามเข้าไปเลยคือหายใจเยึดที่ปลายจมูกอีกต่างหากแล้วก็บริกรรมศพดโทรอีกทั้งหากแล้วก็ให้มีความรู้สึกว่ากระดูกอีกต่างหาก ทดลองดูสิวิธีการสิ่งเหล่านี้คือเป็นวิธีการที่จะตรอมจิตเข้าสู่ความสงบคือไม่ให้มันออกทะเลถ่ายออกไปข้างนอกในเมื่อจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบเป็นพื้นฐานแล้วจะจะให้สงบเวลาไหนก็สงบไม่ถึงจะสงบก็จิตใจมันอยู่นิ่งเป็นอุปจารสมาธิจิตใจไม่หิวไม่หวยวไม่มันไม่หวั่นไหวกวแข้ง ไม่กระสับกระใสจิตใจให้อยู่กับร่างกายและกับให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกมันก็อยู่ได้อยู่แรกได้ด้วยความสงบในเมื่อเราทำอย่างนี้ได้จากนั้นเราสงบเป็นพื้นฐานพอสมควรไม่สมควรพื้นฐานมากทีเดียวงั้นจะเราจะเข้าเวลาไหนเราก็เข้าได้เรื่องสมาธิเวลาเราจะถอนออกเมื่ อ, อไรเมื่อไรเราก็ถอนได้ออกจากสมาธิ นั่นแหละเรารู้จักวิธีเข้าวิธีออกจากนั้นเราก็นํามานํา จ, จิตใจใจของเราเนะี่ยตัวความรู้สึกนึกคิดนั่นแหละนํามาพิจารณาเอาให้มันเคิดทีเนี่ยคือให้มันปรุงทีเนี่ยให้มันคิดมันปรุงเรื่องอะไรให้มันคิดพิจารณาร่างกายของเรานะ เ, าเป็นอสุภะร่างกายของคนเรานะเนี่ยเมื่อหมดลมหายใจเขาออกแล้ว ถ้าหากว่าเร า, เ, าเกิดศึกสงครามหรือเราไปอยู่ในปา่ารวมโปงพาเราตายอยู่ตามลำพังไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นร่างกายเมื่อเราตายอยู่ในปา่ายางงูฉกงูกัดกังเนี่ยเมื่อเราตายแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไร เ, เมื่อตายแล้วเราจะทำอย่างไรเมื่อใจออกจากร่างแล้ว มันจะเป็นอย่างไงไม่ใช่ทําย่างไรมันจะเป็นอย่างไ ร, ไงไรน้ำล า, ายของเราเมื่อตายแล้วเมื่อลมออกไปแล้วถึงจะตายอากับกิริยาอย่างถึงจะนั่งหรือจะนอนเออถึงจะเอนอยังไงเมื่อตายไปแล้วเมื่อจิตใจออกจากร่างแล้วจะเป็นยังไงวันแรกมันจะเป็นยังไงวันแรกของคงจะเอตัวตึงๆธรรมดาพอวันที่สองขึ้นมามันคงจะ บวมขึ้นมาอพอวันที่สามตัวมันจะเขียวขึ้นมาพอวันที่สี่มันจะมีกลิ่นเหม็นอย่างมากเลยสามชี้สี่ขึ้นมามแมลงวันก็ตอมหึงอะทรแต่ไหอทั้งมแมลงวันทั้งถ้าแถบนั้นมีกามีแรงเออมันก็คงจะลุมกันมาล่ะเอ้ค้ายเขาบอกมาดูซากศพล่ะมันมีกลิ่นอะไรทําไมเหม็นขนาดนี้จากนั้นพวกหมาจอกหมาใน ไอ้พวกหมูพวกปูผงหมูป่าอ่าพวกมแมลงวันทั้งหลายทั้งปวงไอ้มันก็คงจะลุมเข้ามาเถอะนั่นแหละไอ้พอลุมเข้ามามันมาอะไรไอ้ผลันสูตก็มาขี่ใส่เถอะไอ้แมลงวันพวก ข, ขี่เป็นตัวหนอนออกมาเลยมันก็มักเข้ามาเกาะมาใชร่างกายของเราไอ้พวกสัตว์พวกอะไรมันก็มาแกะแกะมากัดมากินเลยเถนี้ยมันไม่ว่าคนหรอกนะทินเนี่ยมันไม่กลัวหรอก นีพ่พอมันเน่าละมันเละไปหมดล่ะจากนั้นก็ต่างล่ะต่างตัวต่างกินต่างตัวต่างมแมลงวันกับทอมต อ, อมหึ่งไปหมดล่ะนี่ละร่างกายของมนุษย์ถ้าไม่มีใครเก็บไม่ไม่เผาไม่ฝั ง, งเป็นอย่างนั้นใช่ไหมให้ถามใจของเราถ้าเราตายโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ฝังได้เผาตายอยู่ในป่า ไม่มีใครดูแลใครเกิดฉึกสงกรามอย่างนี้แล้วว่าข้าวยากหมากแพงอย่างนี้อดินฟ้าอากาศอวิปริตแปรปวนอย่างนีน้ถ้าเราตายในลักษณะอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมอย่างสีนามิอย่างนี้อสีนามิพอตายไปแล้วถ้าภูเขาไม่เผาไม่ฝังไม่เก็บศพตายเกลืออยู่ตามชายหาดทะเลตามน้นะํา่ะจะเป็นยังไงออ ถ้าเราไปตายอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่แพ้กันเหมือนกันทั้งหมดเนี่แล้วอันนี้คือให้พิจารณาอสุภะอสุภะปฏิกูลของร่างกายคนเราเกิดมาเนี่ยแก่เจ็บตายตายไปแล้วกันเนี่ยนเน่าพุพังกระจุยกระจายไปสู่ดินน้ำลมไฟยร่างกายของเรา เ, เป็นอย่างนั้น อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่ให้เราพิจารณาถึงอสุพร่างกายของมนุษย์ไม่ว่ารูปหญิงรูปชายไม่ว่าชาติชนวรณะไหนถ้าตายลักษณะอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นอย่างสีดามิอย่างนีน้ที่เขาถ่ายรูปให้ใหพวกเราเห็นร่างกายตัวเขียวรู้สึกว่า ม, มันบวมไปหมดทั้งตัวนะดูแล้วลิน้นจุกปากลิ้นอุดปาก เพราะว่ามันมันมันเน่าละในจุดนั้นร่างกายของเขาเหล่านั้นออกจากร่างไปแล้วแต่มีแต่ร่างกายเท่านั้นแหละไม่มีอะไรละมันหมดความรู้สึกทั้งหมดแล้วเราก็เช่นเดียวกันถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นนี่แหละอันนี้คือพระพุทธเจ้าให้พิจารณาให้เปรียบเปรียบเทียบนอกเปรียบเทียบในเปรียบเทียบเขาเปรียบเทียบเรา เขาเราถ้าเราตายอย่างนั้นก็ไม่แพ้เขาที่เขาตายอย่างนั้นนะเพราะอะไรเพราะร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นอสุภะธาตุาสี่ดินน้ํำลมไฟในอยู่ในอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าวธาตุสี่ธาตุสี่ไปชมกันธาตุสีร่รวมกันอยู่ในร่างกายของเราแต่เราเนี่ยคือพยาจิตตราช ด, ด้วยใจของเราเนี่ยเข้ามายึด มาเจ้าทาตสีเจ้าทาตสีว่าเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของของทาตสีแต่ทาตสีนี่เขาไม่ได้ยินยอมแล้วว่ายินดียินร้ายกับใจของเราข้าพเจ้าเป็นทาตสีข้าพเจ้ายินดีเป็นคนรับใช้ท่านนะอย่างนี้กายเขาก็ไม่ว่าอะไรเขาคอยอยู่ตามสภาพของเขาแต่ว่าใจของเรานี่ยไปให้ความสาคัญปกป้องรักษาอย่างสุดสด แต่ปกป้องรักษาอย่างสุดๆขนาดไหนก็เถอะร่างกายนี่ก็ยังไม่ยอมแล้วว่าไม่เป็นมิตรเป็นสหายไม่ยอมอ่อนข้อต่อใจมันก็ไหลไปตามสภาพใจใจกับมิตรพยายามเเหมือนกับน้ํามันไหลไปสู่ทะเลนะมันก็ไหลไปอยู่นั้นใจก็เดินตามไปนะดูดู ด, ดูดูไปเรื่อยจนถึงตกน้ํำหาสมุทรทะเลก็จบ ใจก็มีแต่ความเสียใจเท่านันะ้นเห็นร่างกายของตนเองเจ็บไข้ได้ป่วยเห็นร่างกายของตนเองใช้การไม่งะไม่ได้เห็นร่างกายของตนเองทุกพลภาพไม่เป็นอย่างที่ตัวเองต้องการได้บางคนก็เสีย อ, อกเสียใจกับร่างกายของตนเองแต่ว่าผู้ใจได้ปฏิบัติธรรมได้ศึกษาเรื่องของใจเราก็จะใช้ร่างกายเท่าที่จะใช้ได้เราจะไม่ทกกับมัน เราใช้ได้ขนาดไหนเราก็ใช้ขนาดนั้นในเมื่อมันใช้ไม่ได้เราก็รู้เออร่างกายเราใช้ไม่ได้แล้วทุพพ ล, ลภาพแล้วเราบังคับมันไม่ได้แล้วเหมือนกับรถเบรแตกไงยางแตกไงล้อมันหลุดไงเราจะให้มันเดินมันก็นเดินไปไม่ได้เพราะเหตุอะไรเพราะว่ามันทุพพ ล, ลภาพแล้วนี้ก็เหมือนกันถ้าผู้ได้ศึกษาธรรมะเนี่ยเราจะรู้ได้ว่า กายกับใจอาศัยกันอยู่แต่กายนั้นมันจะต้องไหลไปสู่สภาพแก่เจ็บตายในที่สุดใจอย่าไปทุกข์กับมันนะถ้าใจไม่ได้ฝึกขัดใจไม่ได้ใจไม่มีธรรมะใจไม่ได้ศึกษาตามแนวแถวทมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วผมว่าร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันต้องทุกข์กับร่างกายนี้แน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะว่า เขาสอนกันมาให้ยึดร่างกายให้ยึดรูปธรรมให้ยึดพักยึดยึดพวกยึดยึดพี่ยึดน้องยึดวงสาขานายาดคือให้ยึดสอนให้ยึดตัวเองมักใหญ่ไฟสูงในตัวเองแต่ถ้าว่าเราได้ศึกษาตามแนวแถวทำคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะพิจารณา จะไม่ยึดร่างกายจะเห็นตามความเป็นจริงจะปล่อยวางจะไม่ยึดมั่นถือมั่นอันนี้คือร่างกายอีกสักวันนั่นต้องแก่เจ็บแล้วก็ตายในที่สุดแต่ถึงยังไงในหลักของพระพุทธศาสนาถึงร่างกายจะแต่ตายสลายเป็นอนิจจังทุก ข, ขังอนัตตาเป็นอสุภะเป็นอสุภังเป็นธาตุีดินน้ำลมไฟแต่ส่วนนึกของใจนั้นพระพุทธเจ้าก็ายังบอก ในเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เราจะต้องทําให้ถูกต้องตามสถานะที่เราเป็นอยู่อันนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ให้สอนแบบโมโง่ปล่อยทิ้งวางแล้วก็ไม่เอาทานอะไรเลยแต่ก็ยังมายอยู่มากินมาใช้อยากกินอยากใช้ของอยู่อยากอยกใช้เงินใช้ทองอยากจะมีความสุขในการเป็นอยู่อยู่แต่ว่าปล่อยวางอันนี้แบบว่าใช้ไม่ได้ อันนั้นแปว่าไม่ถูกแบบโง่อ ถ, ถ้าคิดแบบนั้นแปลวบาบคิดแบบโง่ถ้าคิดแบบใช้ปัญญาถึงเราจะไม่ใช่ตัวตนของเราก็จริงอยู่แต่เรามาพึ่งพาอาศัยร่างกายนี้เราพึ่งพาอาศัยกายนี้เพื่อบำเพ็ญแบบเพื่อหาทางพ้นทุกข์เพื่อจะสะแสวงหาทางพ้นทุกเราจะไม่ติดในร่างกาย แต่เราจะทำยังไงจึงจะพ้นทุกในวัฏะสงสารเดี๋ยวนี้ร่างกายของเราเหมือนกับอยู่ในกลางมหาสมุทรทะเลคือมันมองไม่เห็นฝั่งมองไม่เห็นฝั่งคืออะไรพระนิพพานอยู่ฝั่งไหนที่เราจะเดินไปสู่พระนิพพานมันยังหามองฝั่งไม่เจอแต่เอาเถอะเราได้ศึกษาแล้วพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามรรคแปดคือหนทางสัมมาทิฐิเป็นเบื้องต้น สัมมาสมาธิเป็นสุดท้ายเมื่อเราอยู่ในร่างกายนี้เราเหมือนกับเกาะศพศพพีตายอย่างนั้นแหะพูดง่ายๆร่างกายเนี่ยเหมือนกับมันเกาะศพอยู่ในกลางทะเลแต่เราต้องเกาะไปก่อนเพราะเราจะหาทางพ้นทุกเนี่ยเราจะทำยังไงจึงจะเดินไปถึงไปสู่จุดหมายปลายทางได้ถ้าว่าเราไม่ใช่ร่างกายของชาวไม่ใช่เรา เรากินยาพิษแทกระโดดอที่สูงสูงตายสักเสือกมัดเชือกมัดคอตายสักหรือฆ่าตัวเองตายสะอย่างนี้มันก็เกิดมาอีกกระตายอีกเกิดมาก็ตายอีกเพราะเหตุใดเพราะเรายังไม่ไปยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางแต่ทีนี้เราเรารู้แล้วว่าเราเกิดมาเนี่ยใช่ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนของเราแต่เอาเถอะเมื่อเราได้ศึกษาแล้วเราก็จะเกาะซากศพตัวนี้แหละ เหมือนเราอยู่ในกลางหมหาสมุทรเราจะเกาะสรากศพที่มันมันเน่ามันเหม็นเนี่ยเกาะไปเรื่อยๆจนถึงฝั่งฮพอถึงฝั่งแล้วก็นั่นแหละรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงแล้วกระโดดขึ้นฝั่งไปเลยแปลว่าไม่มองไม่เหลียวหลังแล้วอย่างั้นอ่ะออันนี้แหละคือพระหันท่านไม่มองหลังเลยเพราะท่านรู้แจ้งเห็นจริงแล้วร่างกายคือถึงมาจะเกิดมาพบนาชาตินา มันก็ไม่ไม่ดีพิเศษไปกว่านี้มันก็มีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอย่างนี้ถึงจะเป็นเกิดมาตระกูลไหนตระกูลใดก็ตามมั่งมีสีสุขขนาดไหนก็ตามก็มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีอุจจาระปัสสาวะมีเลือดมีออย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นไม่นอกเหนือจากนี้แปลว่าใจของเราท่านเองนะอให้ความสมมุติหรือว่าที่เหนือกว่า ใครก็คือได้วัตถุมาเอื้อมวยความสะดวกให้ได้มากกว่าใครอื่นเขาแต่ส่วนร่างกายนั้นไม่แพ้กันเขามีตาเราก็มีตาเขามีหูก็มีหูเนี่ยวายวสุขส่วนเหมือนกันผู้หญิงผู้ชายแยกกันคือผู้หญิงก็คือสมบูรณ์ตามผู้หญิงผู้ชายก็สมบูรณ์ตามผู้ชายแต่ว่าทางด้านจิตใจเท่านั้นละ ที่เราจะรู้แจ้งเห็นจริงมากน้อยยังไงแค่ไหนถ้าผู้ใดผ่าผู้ใดใยธรรมะใยศึกษาใยในการศึกษาได้นำทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติผู้นั้นดวงจิตวิญญาณดวงนั้นก็จะเห็นทางพ้นทุกข์ในวัฏะสงสารไม่วันใดค้อวันหนึ่งต้องเจ อ, อต้องเจอแน่เพราะเราศึกษาเราได้ฟังทำคาสอน จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆุกท่านนะอันนี้ก็คือเรื่องจิตวิญญาณเรื่องจิตใจที่เราจะเดินสู่มรรคผลนิพพานมันเอาเดิอเอาใจถ น, นัะเดินให้พิจารณาร่างกายให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอสุภะอสุพังเห็นความเกิดแก่เจ็บตายหเห็นร่างกายของเราเนะี่ยทางว่า เราเปรียบเทียบนอกเปรียบเทียบในเปรียบเทียบนอกก็อย่างที่พวกเราท่านเห็นสีดำมิอย่างนั้นนะแล้วถ้าเราไปนะไปอยู่อย่างนั้นถ้า ต, ตายอย่างนั้นนะล้วจะเป็นอย่างไง ร, ร่างกายของมนุษย์ก็เป็นอย่างนั้นทั้งหมดไม่เป็นอย่า ง, อ, างอื่นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะภาวนาหาทางพ้นทุกเรื่องสิน เมืองต้นนี่ผมพูดเรื่องศีลศีลและวินยัยพวกเราอย่ามองข้ามเพราะพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไปแล้วให้พระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติถ้าพระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแปลว่าสงอยู่ด้วยกันด้วยความพร้อมเพียงผาสุขสง์กลุ่มนั้นจะมีความสงบรรมเย็นเป็นสุขทุนหน้ากันถ้าสง์ไม่อยู่ในระเบียบไ ม, ไ, มม ไ, มไม่มีวินยัย สงไม่มีฮิริคือความละอายแก่ใจสงไม่มีอดตะปะคือความกลัวต่อบาปสงไม่มีความละอายอลชีตาเป็นอลชีสงกลุ่มนั้นจะปีนเกลียวกันจะหาความสงบพรมเย็นเป็นสุขไม่ได้เห็นกันก็เหมือนกับสัตยรชานเห็นกันเห็นกันกับตาเขียวปัดและก็ดูถูกเย็ดแยามกันอีก ไม่รู้จะถูกได้ถูกไปอะไรอีกชักวันหนึ่งต่างคนก็ต่างตายด้วยกันทั้งนั้นเพราะนั้นให้พวกเราเคารพในศิกาขาเคารพในพระวินัยเคารพในกฎระเบียบสินให้อยู่ในในจิตในใจของพวกเราทุกๆ ท, ท่านตลอดจากนั้นก็เรื่องสมาธิก็ให้ศึกษาใ ห, ให้ศึกษาเรื่องสมาธิจะทําจิตใจยังไงให้สงบอันนี้ก็ผมเพาะ บอกกล่าววิธีมากมายลหลายหาอย่างให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษากำหนดยังไงพิจารณาอะไรแต่วันนี้ผมได้ให้พิจารณาถึงร่างกายเปรียบเทียบนอกเปรียบเทียบในเรื่องร่างกายของเราต่อสรปสัตว์ทั้งหลายต่อเพื่อนมนุษยชาติทั้งหลายถ้าเราไปตายอยู่ในป่าดงพงไปถ้าเขาไม่เก็บเศพไม่ฝังศพไม่เผาศพถ้าตายแล้วเป็นยังไง แหมพวกนอนพวกมแมลงพวกาาสัตว์สาราสิงมากัดมาแทผลที่สุดมีแต่กระดูกขาวโพนแหม่ผลตกมาสะมาล่างหลายปีก็จมลงไปในดินยังเป็นกระดูกอยู่แต่นานเท่านานต่อไปก็กลายเป็นดินไปหมดเนีเพราะว่ามนุษย์ธาตุส่วนแข็งคือกระดูกจะต้องกลายเป็นดินส่วนน้ําลมไฟทั่งก็ไอและเหยไปตามไปสู่อากาศไปหมดนะ เพราะนั้นเรื่องใจเท่านั้นแ่ะทีนี้ใจของเราขึ้นวิญญาณหรือใจของเราเนี่ยนะเมื่อออกจากร่างแล้วเราจะไปที่ไหนนี่แหละพระพุทธเจ้าให้ความสนใจเรื่องของใจเรื่องของนามวัธรรมมากที่สุดตัวนี้จะทําให้บริสุทธิ์ตุดพน้นไม่มาเวียนไหวาตายเกิดก็ได้ที่จะให้จมปลักในการ ม, มกิเลตราชโทสะโมหะก็ฝึกได้ทั้งนั้นเพราะนั้นพวกเราเข้ามาศึกษาในครั้งนี้ ได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรท่านพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารอย่างไรท่านเอาจริงเอาจังอย่างไรจึงได้พ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารไม่มาเวียนว่ายตายเกิดนี่แหละพวกเราให้ยึดตามแนวแถวของพระพุทธเจ้ายึดตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราอีกสักวันพวกเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางตามแนวแถวที่ พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาเดินพาถึงแล้ว เ, เพราะว่าทำคําสอนของพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เดินถึงมั่งถึงผลที่เราเห็นเห็นกันอย่างที่ผมย้ําแล้วย้ําอีกก็คือกระดูกของท่านาได้กลายเป็นพระธาตุอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นคนทั้งอื่นตายเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมืน่นเป็นแสนมากต่อมากตายไปแล้วก็ไม่มีกระดูกตัวไหนท่านไหนที่เป็นพระธาตุ แต่สำหรับของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเนี่ยได้กลายเป็นพระาธาตุให้แก่พวกเราได้เห็นได้ดูได้ชมอย่างพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นกระดูกของท่านหลวงปู่มั่นเป็นยังไงเป็นกระดูกที่เหมือนกระดอกพิกลสีเหลืองอ่อนนั่นแหละแล้วก็มีหลายหลายในหลายอย่างอีกต่างหากเพราะนั้นกอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะมาขราวนี้มาทัก มาบวชในะครั้งนี้เขาให้ตั้งใจการบวชมันก็อย่างที่ว่านะั่นนะอย่าให้เหมือนอย่าให้มีความสุขสนุกสบายเหมือนกับเป็นครวญนั้นแปบลบว่าเราคิดผิดจะแล้วเพราะการบวชเพราะพระพุทธเจ้าท่านบวชอย่างไรเราก็ควรจะศึกษาเฮ้ยพระพุทธเจ้าท่านบวชอย่างไรเฮ้ยท่านไปอยู่ในป่าท่านเป็นกษัตรนะสัดไปอดปกยะยาหารถึง49วันอดปกระกยาหาร4ี่ส้าวันสุขไหม มีความสุขไหมในการอดปกระกยาหารเราอดเพียงวันสองวันเราก็ยังมีความรู้สึกข้ะท่านอดมากขนาดนั้นแล้วท่านบำเพ็ญทั้งหกปีพวกเราคิดดูก็แล้วกันให้คิดอะไรจะไปเอาเข้าข้างตัวเองให้คิดถึงบรมครูของพวกเราท่านลำบากขนาดไหนท่านจึงได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราก็เหมือนกันอย่างผมก็เหมือนกันนะนะ ไม่ได้ยกให้ผมแต่ผมเป็นเนนมาขนาดไหนแล้วก็มาเป็นพระปฏิบัติอย่างไรจนนำมาถึงจุดนี้ถึงจุดนี้ก็เถอะผมก็ไม่เคยลืมตัวว่าผมจะไม่ตายอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยนะไม่รู้ว่าวันไหนผมคิดไปอยู่เสมอถึงวันไหนมาแล้วก็ถึงพร้อมเมื่อไหร่เราก็ยอมรับเมื่อนั้นเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าไปคิด ว่าถึงจะไปเป็นครวญญาดโยมจะไปอยู่ในสกุลไหน เ, เราสุขก็สุขไปอย่างนั้น่ะสุขหลอกหลอกตอนเองไปอย่างนั้นแหละแต่ในใจของเราแล้วมันหาความสุขไม่ได้เดาโกงกันเลยมีแต่หาทางพ้นทุกข์เท่านั้นละ่ะตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าถ้าพ้นทุกข์นวัฏฏสงสารเมื่อไรจิตใจของเราเป็นอัมปันตธาตุอมตะธรรมอจิตใจของเราไม่มีกิเลส ยึดเหนี่ยวพลุงพลังจิตใจของเราเป็นอิสระจิตใจของเราเป็นไทยแต่นี้จิตใจของเราเป็นนักโทษอยู่นะคือกิเลส ร, ราคะโทสะโมหะควบคุมอยู่เพราะงั้นถึงจะยิ้มแย้มแจ่มใสยงไงคือนักโทษนักโทษยิ้มแย้มแจ่มใสถึงจะสุขขนาดไหนแต่สุขแบบนักโทษอยู่ในเรือนจํากินอิ่มนอนหลับวันไหนที่กินอิ่มนอนหลั บ, นนนนลบทุกทุกอกทุกใจเพราะงั้น ก็คือนักโทษอยู่อย่างเก่าเพราะอะไรเพราะว่าเรายังไม่พ้นทุก์เรายังไม่หมดกิเลสเมื่ อ, อไรเราชำระกิเลสได้แล้วนั่นแ่ละเราออกจากคุกออกจากตารางแล้วเป็นไทยแล้วเป็นอิสระแล้วเพราะนั้นขอให้พวกเราบาเพ็ญจิตภาวนาเมื่อเรากระเทาะเปลือกไข่ออกออกจากเปลือกไข่ได้แล้วนั่นแ่ละเป็นไก่ที่เป็นพี่ ของหมู่พวกน้องๆถึงจะหัวงอกหัวขาวขนาดไหนก็เต๋อก็ยังอยู่ในเปลาะไข่อยู่เพราะยังไม่พ้นทุกข์แต่ไก่ตัวไหนเอาจะงอยปากเจาะกระปอ ก, กปไข่ออกไปนออกจากรลดออกจากเปลาะไข่แล้วนั่นแหละไก่ตัวนั้น่ะเป็นพี่ของเพื่อนทั้งหลายแต่พวกเราเนี่ยพวกเราท่านทั้งหลายฮะเป็นยังไงเราอยู่ในกระปอกไข่เรื่องเราเจาะกระปอ ก, กปไข่ออกไปแล้วนะ ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆองคนะ อ, อกตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำคําสอนของพระพุทธเจ้านะถ้าเราศึกษาให้จริงจังแล้วพวกเราจะเห็นช่องทางและก็มักขะปฏิปทาของพระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้ให้เดินตามทางสายนี้มักคะคือขอนทางสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเราจะเห็นยังไงจริงจะเห็นชอบนะ่ย เราต้องค้นขว้าศึกษาจากนั้นเรเห็นอนันในจังทุกขังอนันตาเห็นอนันในจังของไม่เที่ยงก็เห็นอยู่แล้วอนันในจังเกิดขึ้นมาแล้วแตแก่เห็นไหไม่มีใครจะหนุ่มไปข้างหน้าแก่แล้วจะแก่ไปถึงไหนอีกไม่นานก็ถึงแก่ไปถึงตายกนะ็จบนยแก่แล้วก็เจ็บเจ็บก็คือเวทนาที่เรารู้รู้กันอยู่นะเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างเจ็บแข้งปวดขาบ้างอันนั้ะเวทนา แล้วถ้าตายก็หมดลมหายใจเข้าออกนี่แหละชีวิตของมนุษย์ของเราก็มีเพียงเท่านี้นะทําไมพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าตายตายอยูเรื่อยเอาตายมาขู่กันเหรอไม่ใช่มันไม่ใช่เอาความตายมาขูดเอาความจริงมาพูดให้กันฝังฮะมันจริงอย่างนั้นเอาความจริงมาพูดอแต่คนเราไม่ชอบอไม่ชอบเอาของจริงมาพูดไม่ชอบเพราะงั้น เอาของหลอกๆต้มๆตุนๆนะโอ้เจ้าเนี่สวยจริงๆเจ้าเนี่งามจริงๆเจ้าเนี่ยมีปัญญาจริงๆเจ้ามีมีบุญอํานาจวาสนาจริงๆเออมันชอบไปอย่างนั้นไม่ชอบที่ว่าเออตามความเป็นจริงอย่างไรเฮ้ยเจ้าอีกไม่นานนะเฮ้เจ้าเท่าไหร่ละปีนี้เจ้าจะอยู่ไปอีกซอกจากเท่าไหร่เฮ้ยใชอีกไม่นานนะให้ระวังตัวไว้นะให้รักษาตัวไนะให้รักษาใจไปนะ ใจของเจ้ามาตรฐานอะไรยังใจของเจ้าเป็นพระริยะบุคคลอะไรยังใจของเจ้าได้เป็นพระทหารอะไรยังเจ้ามั่นใจอะไอยังว่าเจ้าจะไม่มาเวียนไหวตายเกิดอีถ้าเจ้ายังไม่มั่นใจเจ้าต้องเตรียมพร้อมนะทางกลับมาเกิดอีกเจ้าก็ต้องแก่เจ็บตายอีกอย่างเก่านะไม่เป็นอย่างอื่นถ้าคําจริงอย่างนี้โดยมากมันจะไม่ชอบจะไม่ชอบเพราะงั้นแต่ชอบให้เขาหลอกๆไปงั้น่ะเพราะนั้นพวกเรานะ ได้มาปฏิบัติธรรมถึงขั้นนี้แล้วถึงคราวนี้แล้วเี่ยถึงจะหลอกก็ให้ถึงเขาหลอกก็ให้รู้จักว่าเหือนะั่นคือเขาหลอกเพรเราได้ศึกษาแล้วเนยเราจะหลอกเราเพราะงั้นไงใครเราต้องอกตั้งใจนะในการพูดการแนะแนววันนี้ก็เห็นว่าสงวนกับการเวลาขอหยุติในการพูดตอต่อเนี้ไปนั่งสมาธินะั่นทีนะ